นะโมตัสสะภควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ลงได้เลยนั่งสมรวมใจตั้งจิตตั้งใจกายของเราก็ตั้งให้ตรงตั้งตรงอยู่แล้วตามสภาพของแต่ละคนจิตใจก็ให้ตรงตรงแน่วต่อสติมีสติประคองจิตประคองใจเครื่องมือของใจก็คือกายธาตุของใจก็คือกายเครื่องมือสื่อสาร ไม่ได้มีระบบเหมือนทีโอทีเรงโทรคมนาคมข้างนอกอันนี้คมนาคมข้างในที่จะสื่อสารสู่จิตสู่ใจเขาออกแบบมาดีละอืมมีหูนั่นแหละสําหรับเสียงเพราะฉะนั้นพวกเรามีอยู่แล้ว่ะอยู่ในสถานที่ที่พอจะได้ยินได้ฟังกันเพราะฉะนั้นเด็กแค่วัดตั้งใจตั้งใจตั้งใจเพราะหูมันมีอยู่แล้วเครื่องมือของการครับ เสียงก็คือหูมีอยู่แล้วแต่ถ้าใจไม่ตั้งจะเพิ่มหูเข้าไปอีกกี่หูก็ไม่ได้ยินมันเบลออยู่นั่นหละเพราะใจไม่มีสติไม่มีเจ้าของหะเพราะว่าท่านตั้งใจตั้งใจท่านจะพูดคำนี้ค่าอาจารย์ท่านจะชอบตักเตือนพวกเรานั่นหละ นี่ก่าวันที่แปดกันยาช <c oughs> ่วงฤดูการฤดูฝนวัฏการถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ยากที่จะมีโอกา ส, สก ร, ระดับระับฟังเรื่องเรียกว่าก่อนแต่ปัจจุบันเป็นความพร้อมขององค์กรของพวกเรา เปิดกว้างขึ้นมาเปิดกว้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นเวทีกลางเปิดรับคณะมุมาสกบาสิกาบริษัทบริวารคณะสถาญาติยมมาเพื่อชมรมรวมกันร่วมกันรวมกันร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันกรรก น, นั่นแหะเป็นนิดเป็นสหาย หายะเป็นผู้เป็นไปร่วมทรวาอย่างนั้นผู้เป็นไปร่วมในทางความดีหรือความไม่ดีแต่ความไม่ดีไม่ต้องสมมาทานไม่ต้องมาลากมาจูงกันด อ, อกมันถลําเลือกทะเลถลายไปตามอานาจฝ่ายตามของผู้ที่โยงใหญ่ชักใหญ่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของมันอยู่แล้วแต่อันนั้นไม่จำเป็นมันจำเป็นในทางที่เดกอะชากลากจูงกันออกมาสู่ ที่แจ้งที่สว่างที่สูงที่สะอาดเรียกว่ารากกันมาจูงกันมาออกมาสู่คุณงามความดีนั่นถึงว่าชมรมที่โอททั้งเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเจตนารมอย่างนี้ครูาอาจารย์ท่านก็มีธรรมะประจําใจของท่านอย่างหนึ่งก็คือเมตตาธรรมอืมไม่มีอะไระเดียด น่าดูน่าชมยิ่งกว่าความเมตตายดูสงสารต่อกันและกันโลกทั้งโลกมันจะจะลงอยู่ได้เพราะอาศัยน้ําเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเหนง็นไ้มธาตุของโลกเดี๋ยวโลกภายนอกเป็นอย่างนั้นโลกภายในก็นไม่ต่างกันจากนั้นอาศัยน้ําอัดน้ำนํำทำน้ําอดน้ําทมน้ํำทเออดทนอดัดทำหล่อเลี้ยงหัวใจของเวณนยาศาสตร์เวณยาชน ส, รรพสัพสัต์ ก็เหมือ น, น้้ำมันอุ้มชูดินไว้มาให้ปลิวว่อนกระจายกระจายจนกระทั่งโลกทั้งโลกจะไม่เหลืออะไรเพราะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงเท่าที่มันเป็นก้อนธาตุก้อนโลกก้อนดินอยู่เพราะอะไรเพราะแรงดึงดูดแรงขับเคลื่อนแรงอุปถามคําชูซึ่งธาตุประกอบความเป็นโลกนั่นก็ยกไว้ของความธาตุาประกอบแต่การที่จะมา มาประกอบกันเป็นมนุษย์สัมพวธาตุของมนุษย์มีอะไรบ้างนั่นเห็นวหมละ่ะคนในลักษณะของมนุษย์มีอะไรอย่างน้อยต้องมีเชื้อของความดีอย่างใดอย่างหนึ่งท่านว่าอย่างนั้นอย่างที่พวกเราพัณ น, นาตะ ก, กี้นี้ละ่ะเรียกว่าเป็นจศีลเป็นจธรรมนั่นเรียกว่าจะเป็นมนุษย์ชายหญิงจะเป็นพูดอืม ปรากอบไปด้วยรูปร่างหน้าตาเกิดมาเท่าไรเท่าไรก็จะไม่ค่อยเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันเอาซะเลยล่ะมีลักษณะใกล้เคีออยงกันแต่ไม่เหมือนเอาซะเลยเพราะอะไรเพราะมีธรรมชาติหนึ่งเป็นผู้ตกแต่งนั่นธนวกรรมกรรมไม่ใช่บุคคลนะกรรมเป็นธรรมชาติที่ลึกลับยิ่งกว่าบุคคลไม่มีใครจะเข้าไปบงการธรรมชาตินั้นๆได้ ถ้าตราบใดที่ยังมีการบงการชี้แนะกันอยู่โลกนี้จะต้องมีเป็นไปตามอำนาจวา ส, สนาของผู้มีอำนาจบ้างแต่นี้ใครก็เถอะใครก็ใครไม่ว่ายุคใดสมัยใดจะไม่มีใครจะมาชี้นาเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นๆได้กรรมหักเป็นไปํา สิ่งที่ปรากฏจำเพาะเหตุของการกระทำนั้นๆนั่นคือว่ากำมังสตตัตวิภพชติญาดีดังที่นาปนิตังกำยํอมจำแนแกแจกแจงให้สรรพสัตว์เป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ขึ้นต่อความอยากหรือความไม่อยากไม่ขึ้นต่อความปรารถนารักใครช่ชอบพอของใครใครก็ตามจะปรารถนารักใครช่ชอบพอจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลือกข้างเลือกข้างอยากจะเป็นอย่างนั้นนะไม่เอาอย่างนี้นะจะไม่เป็น มันหากจะเป็นไปตามกรรมและผลของกรรมก็คือการกระทาของจิตดวงนั้นจิตดวงไหนล่ะก็จิตดวงที่เราเสวยผลอยู่เวลานี้ล่ะรู้รู้อยู่เวลานี้ล่ะปลาสนักเกลียดทุกรักุขแต่ทำไมมันมีแต่ทุกร่าไปเพราะอะไรล่ะเพราะจิตดวงนี้นี่เองกระทากรรมชั่วช้าลามกเอาไว้มาเสวยผลก็เป็นไปตามผลของเหตุนั้น ไม่เป็นไปตามความปรารถนารักใคร่พอใจหรือไม่พอใจเพราะฉะนั้นโทรราถ้าเกลียดทุกทุกข์สุขพยายามหลีกเว้นนี้จากเหตุแห่งทุกข์สังสมคุณงามความดีธนุถนอมความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามขาจัดปา่าเป่าทุลีอันเป็นธรรมชาติที่ไม่ดีที่งอกเงยงอกงามขึ้นภายใน กิจในใจมันจะลุกลามลามปามออกไปข้างนอกถึงกายถึงวาจาซึ่งมันจะเป็นของไม่น่าดูหรือดูไม่ได้แต่โลกทําไมเป็นพาดของสิ่งเหล่านั้นโบ<ม>กเวกวยไม้อยู่ในข้างบ้านข้างเรือนข้างถนนหรือกลางถนนน่าดูไหมละ่ะเห็นคนนั้นด่าทอกันเห็นคนนี้ว่ากล่าวกันด้วยความมหิโธดิ่งโธสบรรดาลแต่เป็นถึงคราวเจ้าของเป็นซะเอง เลืมหูลืมตาไมขึ้นทพอกันเมืม่อเมษปีทวาเพราะอะไรลนะี่ยพราะเป็นมีธรรมชาติหนึ่งอยู่ภายในนั้นลึกลับยิ่งกว่าสติลึกลับยิ่งกว่าความเป็นผู้เป็นคนลึกลับยิ่งกว่าความเป็นเราก็คืออคติอืมโทสะคติมันบรรดาลใจเราอืมท่านถึงสอนให้มีธรรมะคือความเมตตาอย่างครูบาอาจารย์ท่านมี โลโก้ปทัทธรรมิกาเมตตาไม่มีอะไรจะน่าดูยิ่งกว่าความเมตตาโลกทั้งโลกอยู่ได้ด้วยความเมตตาหน้าอยู่เพราะมีเมตตาธรรมเมตตาธรรมเป็นธรรมชาติที่ขำชูขำชูนุดนนุนให้โลกนี่หน้าอยู่นาฏวิสัยนาเข้าใกล้ฟังตรงข้ามมีอะไรบ้างล่ะอืมวสาย กาลิสยาถ้าคาดมาสร้ายต่อกันเวลานี้เวลาที่พวกเราปรากฏชัดอยู่ว่ า, าพวกเราเป็นสัตว์มนุษย์เราต้องดำรงตนให้อยู่ในความเป็นมนุษย์จะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามจะเพศใดไวไดัยใดก็ให้ปฏิบัติตนให้สมควรเกิฐานอนุรขกของเจ้าของ สมฐานะให้งามตามวัยงามอย่างพระองค์ท่านทางงามงามแบบไหนล่ะงามด้วยกิริยามารยาทงามด้วยความข้อวัดปฏิบัติงามด้วยการประพฤตตนนั่นที่ว่าเป็นแบบฉบับเป็นเนติแบบฉบับเป็นครูของเทวราและมนุษย์ทั้งหลายนั่นคิดดูสิ การอุบัติขึ้นของพระรพธิชาติแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์มาเพื่อเป็นแบบฉบับมาเพื่อเป็นสะพานให้พวกเราทายข้ามพ้นแหล่งโอคักันดานไปสู่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พระองค์ท่านยอมยอมลดพระองค์ท่านลงมาเพื่อความลำบากลำบนยอมลด ความสุขส่วนพระองค์ท่านความเป็นปกติของคนคนหนึ่งจะต้องเป็นปกติอยู่บ้างแต่ผิดปกติขึ้นมาเพราะอํานาจของความเมตตาเอ็นดดสงสารสรรพสัตว์เราหนึ่งในจํานวนนั้นก็คอยที่จะได้รับผลของความเมตตาการุณเอนโดสงสารของนักปราถน์ท่านอย่างพระพุทธเจ้าเป็นประธานอืมย้อนลงมาถึงทุกวันนี้ครับน่านดูสิ อ, อยู่ในพระบรมโกศ ที่พระสงฆม่กอนยางพวกเราไปกี่รอบกี่ครั้งกี่หนไม่เคยอิ่มไม่เคยเบื่อไม่เคยจืดไม่เคยจางไม่เคยคิดว่าจะอืมพ่อมีแต่วความเพลิดเพลินดดดื่มเพราะอะไร่ะเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะคําว่า บ, บุญญาบา ร, รมีของพระ อ, องค์ท่านมีใครสักกี่คนที่ทําได้อย่างพระ อ, องค์ท่านอย่างนั้นก็คือถึงพร้อมด้วยความอืเมตตากรุณา น, นั่นแหละ ถ้าพระองค์ท่านไม่มีเมตตาการุณาจะเสวยสุขอย่างลําพังพระองค์ท่านอยู่ในรั้วในวังอืไม่ต้องมาลําบากลําบนทนทรมานพระวรากายของพระองค์ท่านเหื่อไหลไข่ยอยอย่างคนทัท่วๆไปทั้งทั้งที่ตําแหน่งฐานะของพระองค์ท่านเป็นพระกษัตริย์อืมเปรียบพร้อมด้วย แทาจะว่าเหมือนโลกโลกว่ากันทั่วไปถ้าเราจะมองเข้าไปแต่พระทัยของพระองค์ท่านกลับมองไปคนละอย่างกับคนทั่วไปโลกทั่วไปมองกันพระองค์ท่านมองข้ามมองข้ามเพราะอะไรเพราะความเห็นคนอื่นสําคัญกว่าเรื่องราวของพระองค์ท่านเห็นไหมล่ะคําว่าผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะฮึมเป็นไปตามหลักธรรมชาติจริงๆ เพราะเป็นผลเป็นอย่างไรล่ะเห็นกันอยู่เวลานี้ทั่วโลกทั่วดินแดนยกย่องพระองค์ท่านมีจืดมีจางไหมล่ะอยากจะเข้าใกล้อยากจะมีส่วนร่วมยากจะเทิดทูนไม่อยากจะให้ล้มหายตาจากไม่อยากจะให้บีบััิเจ็บหายไม่อยากจะให้เป็นแตกในเมื่อเป็นไปนแล้วก็จำเป็นล่ะธรรมธาต ธรรมชาติของศัต ร, รูสังขารมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็เรื่องธรรมดาแต่ในหัวใจของเราไม่อยากจะให้เป็นอืมั้งแรกได้ก็จแลกเห็นไหมล่ะมันขนาดนั้นนะทําไมเป็นได้ขนาดนั้นคนคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะความเมตตากรุณาเอ็นดูสงสารคนอื่นเห็นคนอื่นมีสาระมีประโยชน์มีความสําคัญยิ่งกว่าเจ้าของเราทําได้ไหมทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราอ่อนแอ เราเห็นแก่ตัวเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่างเราน้ำหน้าอย่างเราเป็นไงแท่นั้นละอืนั่นว่าจากนั้นว่าจะของมันต้งมีผู้นำผู้ตามเราเป็นผู้ตามเราก็ยอมรับว่าเราอ่อนไดอยอ่อนไดอยเลยคุณภาพเรายังไม่มีคุณภาพแต่ฐา น, นะอันเป็นที่ตั้งของสิ่งที่สภาพก็เรื่องเดียวกันก็คือจิตคือใจ พระไทยของพระพรทเจ้าพระไทยของพระบรมกษัต ร, ร, ริย์ทุกๆพระองค์งที่มีคุณานิสงสอพระสงนิกรของพระองค์งท่านนั้นๆาหรือจิตจิตหรือใจของคนทั่วไปก็เถอดตราบใดที่สมาทานสำเนกศึกษาเอาคุณงามความดีมาเพื่อจันลองจิตใจของเจ้าของรับรองจิตใจหรือพระไทยเหล่านั้นจะไม่ต่างกันเพียงแต่ต่างจากอํานาจวาสนาใจะใหญ่จะเล็กจะมากจะน้อยเพราะไม่เท่ากันละ คำว่านานาจิตเป็นอย่างนั้นแต่จะไปในช่องเดียวกันถ้าเอาธรรมะปรปเพศเดียวกันมาเป็นเครื่องจะลง <c oughs> ในมุมกลับกันม <c oughs> ีแต่พิษนาา้่ภัยแต่ขวากแต่หนามแต่สิ่งที่ปนเปื้อนสารพิษอืม <c oughs> สารพิษข้าง น, นอกกน็นำพิษนำภัยมาสู่ข้างนอกสู่ผู้ริเคมาเกี่ยวข้องวุ่นวายสัมผัสสัมพันธ์กระรับพิษระพายไปตามนั้น สิ่งที่เป็นทิศเป็นภัยภายในมีอะไรบ้างละ่ะมันเห็นไหมละ่ะความเห็นแค่เนื้อแก่ตัวอำนาจวาสนาของเรามันต้องใหญ่กว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นเลิศกว่าคนอื่นสิ่งที่จะมาปรับปรับดามีอะไรบ้างละ่ะเห็นแต่ฟืนแต่ไฟนั่นล่ะนักปรารท่าเห็นแต่ตัวของตัวเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราถึงว่ากอบกวา้างกอบโกลยเอาฟืนเอาอไฟราคาคิโตสคิโมหคิ ราคคินาโทสักคินาโมหคินาในธรรมบทที่ท่านกล่าวในพระสูตรที่ท่านกล่าวในตำรับตำราอ้างถึงฟืนไฟสามกองนี้มันเผาที่ไหนล่ะมันไม่ได้เผาตึกรามบ้านช่องมันมาเผาพวกที่อยู่ยึดถือแบกหามกว้านเข้ามาในจิตในใจของเจ้าจของก็คือเอาฟืนเอาไฟดุจนนั้นๆสิ่งเหล่านั้นกองเหล่านั้นมาเผารมกายวาจาใจของเจ้าของโดยเฉพาะจิตใจกายวาจานั้องแบบเป็น เครื่องบริษัทบริวารเป็นที่อาศัยอืเป็นบริวารของใจเป็น อ, องค์ประกอบที่อยู่กระจที่สุกก็คือจิตคือใจเจ้าของกอดฟืนกอดไฟเผาเจ้าของทําไมมันจะไม่ร้อนอืมนักปลาท่านชี้บอกอยู่อืมความร้อนความร้อนมันก็เห็นเห็นอยู่ร้อนเพราะฟืนเพราะไฟข้างนอกแล้วก็ยังกระเท็บออกมาห่างๆได้ แต่ร้อนเพราะไฟราคะโทสะโมห oh ะมันไม่มีทําเลให้อยู่เพราะมันเผาที่หัวใจซะเองคน ก, ก็ไม่ใช่เคยอื่นกัเจ้าของซะเองเน่ะจะไปถอยร่อนไปทำแหล่งไหนนะทําเลใดอืมาไปจุดให้ลงไปทําเลไหนเจอแต่เจ้าของเมตตาเรื่องรักเรื่องชังเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเพื่อเราเพื่อเราเพื่อเรา แล้วเมื่ อ, อไรมันจะเพื่อคนอื่นบ้างถ้าเพื่อคนอื่นคนอื่นได้เราดีใจนั่นแสดงว่าเจ้าของมีใจกว้างเปิดกว้างให้คนอื่นได้บ้างอันนี้ไม่แต่มองไม่พ้นฝ่าเท้าเจ้าของนะสิไม่แต่เรื่องตัวกูของกูกูเท่านั้นเราเท่านั้นได้ถึงจะเป็นผลดีถ้าคนอื่นคนอื่นได้ร้อนร่มตีโพอตีพายวุ่นวายไปวัดเจ้าของถูกกระทำเจ้าของโดนเอารัดเอาเปรียบเจ้าของเสียเปรียบ แต่หมายแต่มืออยู่กับเธอจะของจะยังไม่ได้จะของจะบอกพร่องอความมีความไม่มีมันมีประมาณไหมล่ะความทะเยอทะยานอยากนั้นต่างหากตัวปัญหาจะมีมากมีน้อยตราบใดที่ยังมีความทะเยอทะยานเป็นคนมากมากอยู่คนนั้นจะเป็นคนอาภัพเป็นคนอยากจนยากจนตามวิสัย อำนาจวาสนารรสร้างมาเหมือนก็เป็นเรื่องหนึ่งของภพชาติมียากดีมีจนมีทรัพย์สมบัติก็ตามจังหวะโอกาสของถิง่นกำเนิดนั้นๆแต่ประเทศยากจนนั่นสิ ม, มันไม่พอมันไม่อิ่มมันไม่เต็ ม, มถมเท่าไรก็ไม่เต็มอมืเพราะอาะไรเพราะอำนาจของตันหาสวามันเป็นอยู่อย่างนั้น แต่วความเป็นจริงของสัตว์สังขารมีอะไรบ้างล่ะท่านถึงว่าตะล่อมเข้ามากล่อมเจ้าของเข้ามาบ้างเอาธรรมะมากล่อมเจ้าของเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อรู้ธรรมะธรรมะมีอะไรบ้างล่ะนั่นเห็นไหมย้อนกลับมาหาเรื่องของความเป็นจริงชีวิตจริงสิ่งที่เราอุบัติขึ้นมาก็าคือชาติถือกําเนิดขึ้นมาแล้วว่าชาติติดมากับชาติคืออะไรคือทุกข์แหวแ ว, วมากับทุกข์แล้วนะ่ะมันร้องเพราะมันทุกข์ ท่านเปรียบความเกิดความเกิดของมนุษย์ที่ว่าประเสริฐประเสริฐมันก็ขนาดนั้นล่ะถ้าจะรับตาจินตนาการฟังตามโอวาทคําสอนของนักปราชญาท่านเทียบเพียงให้เห็นหอืมการเกิดของมนุษย์นเนีน่เหมือนช้างป่าหนีนายพรานช้างป่าหนีนายพรานทาไมต้องหนีเน่ะท่านเทียบให้เห็นว่าช้างกับนายพรานเข้ากันที่ไหนล่ะ กันธพาลนายพานกับเผือาสตราวดเพื่อที่จะดักจับสัตว์ก็คือไล่ช้างไม่มีทางไปไล่ต้อนไปต้อนไปมีหินพอแหวกช่องให้เลียดตัวออกไปได้ถ้าไม่ไปช่องนั้นก็ไม่มีช่องทางอื่นช้างตัวนั้นช้างทั้งตัวเลียดไปในช่องแคบๆนั้นอืเปิดโอกาสให้เลียดไปได้แค่นั้นล่ะจะไปก็ไปไม่ไปก็โดน ขับไล่จากธรรมชาติก็คืออืมถ้าจะเทียบกับเหมือนนายพานไล่อืมแต่ลมของธาตุของขันมันไล่มันการเกิดของมนุษย์ชาตุถือก็บกำเนิดถึงเวลาทดครบพ้วนของทดสมบัติขนมันครบกำหนดจำเป็นในคลอดแล้วอยู่ไม่ได้เพราะลมแม่มันขับไล่แล้วเห็นไหมล่ะเหมือนนายพานไล่นั่นแหละ มันมีช่องนั้นช่องเดียดต้องออกออกมาด้วยความระบมทนทุกเบียดเสียดมาช่องหินแคบๆนั้นทําไมจะไม่ทุกหล่าออกมามันทุกรอดตายทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละบวนการเกิดของคนมันขนาดนั้นแต่แต่พวกเป็นทายาทพอมองเห็นแค่นั้นละ่ะสนุกสนานร่าเริงว่าได้ลูกหญิงลูกชายตามความสมปรารถนาขเจ้าของไม่รู้ว่ากระบวนการเกิดตอนนั้นรอดตายเกือบตาย ถึงเป็นถึงตายหรือตายก็มีเห็นไหมล่ะหรือว่าถือกําเนิดขึ้นมาชาติีพี่ทุขาเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ได้หยุดนิ่งแค่นั้นนี่อืความชราข้ามข้าก็ทํางานมาตั้งแต่นี้อยู่ในคันในทองแล้วล่ะเกิดขึ้นมาเป็นทารกเบื้องต้นจากนั้นก็กายแก่ขึ้นมาเรื่อยๆเกิดแกเย็บตีคู่กันมากับความเกิด ตายก็ตายไม่ทุกขณะเลยแม้เกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ประจําธาตุประจําขันธ์แต่พวกเราท่านทําไมมองไม่เห็นไม่เห็นเพราะอะไรเพราะความประมาทเพลิดเพลินมื่เมาในความเป็นอยู่ของเจ้าของเห็นอยู่ว่าเจ้าของเป็นอยู่อย่างนี้ล่ะเป็นอยู่อย่างนี้ล่ะก็เลยลืมตัวลืมตัวลืมเป็นลืมตายนั่นถึงวันนักประมาทท่านชี้เข้ามาชี้เข้ามาว่าพวกเราเนี่เป็นผู้ประมาทประมาทเพลิดพลินใน สิงที่จะของปรากฏจำเพาะหน้าว่าเ <kes> ป GRANT, ็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยัง theatre, Roma, Naru, มไม่ตายยังไม่เป็นไรยังเพลอดเพลิน uhm มัวเมาได้โย่ทั้งๆรู้อยู่ว่าจะของเพลิดเพลินว่าจะของมัวมาว่าจะของประมาทเลอาท่าแต่เอาไว้ก่อนหน้าเวลานี้ยังหนุ่มอยู่สวยผลความสุขตามเพศตามวัยก่อนเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิบัติเรื่องความดีระดับนั้นยกไว้ให้ผู้อยู่วัด ยกไว้ให้คนแก่ยกไว้ให้คนชรายกไว้ให้พวกที่ว่าหมดสภาพแล้วเวลานี้พวกเรายังมีสภาพอยู่เอาสภาพที่เรามีความสมบูรณ์อยู่นี้ไปเสวยสุขหาความสุขตักตวงเอาผลประโยชน์ของมันก่อนยั้งกับโลกนี้มันจะแตกจระดับไปก่อนนั่นแหละจะต้องตักตวงเอาความสุขก่อนหรือโลกมันดับก่อนอืมมันได้สุขจริงไหมไรมันมีอะไรห่ะดูจริงๆริงสิโกนุหาโถจิมานันโดนิจังปัชชริโอสติ พวกเธอทั้งหลายทาไมเพลิดเพลินประมาทมัวมาอดนักอนาไฟไหม้บ้านทําไมไม่ขนสมบัติออกจากบ้านเอไฟกําลังไหม้บ้านทําไมสมบัติที่พอจะมีประโยชน์ได้บ้างทําไมไม่ขนออกทําไมไม่นําออกนักปราดชี้เข้ามาหาพวกเราจ้อมปราดก็คือพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนั้นตรัสอย่างนั้นละ่ะใไฟก็คือชาติชราพระยาธิมรณะกําลังเผาลมโหอร่างกายจิตใจของเราอยู่เวลานี้เราทําไมร่าเริง เรื่องล่าอยู่ในความท่ามกลางกองเพลิงกองไฟทำไมไม่ขนสมบัตินำสมบัติสมบัติอันพอจะมีพึงได้พึงเห็นพึงได้พึงมีพอมีได้อยู่จากกายที่ยังอัตภาพของมนุษย์หญิงชายนี่ละนำมาสมาทานศีลนำมาจำแนกแจกทานนำมา คนน้บัติปฏิบัติข้ออัดข้อทำนำมาทำคุณงามความดีมาตริปิตริวาติอทัทเทชัยธรรมหิภาตริทำความดีต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายต่อคุณครูอาจารย์ต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะก็ตามอัตตะก็ตามตเป็นสมบัติส่วนตนก็ตามส่วนอื่นก็ตามให้เป็นประโยชน์เถอะนั่นเรียกว่าหาสมบัติทําสมบัติถ้าไม่งอกเงยให้มันเป็นสมบัติเกิดขึ้นก่อนที่มันจะตายก่อนที่ไฟจะไหม้ อย่างไรเสียมันก็ไม่อย่างไรเสียมก่อนถูกทําลายทําลายเพราะอะไรพราะธรรมชาติชาติชร า, ชาพระญาติมรณะก่อนที่มรณะภัยจะมาถึงก่อนที่ความเป็นความตายก่อนมันที่มาความตายจะมาพรากความเป็นความเป็นอยู่ต่อเนื่องกันอยู่นี้มีลมหายใจเข้าและออกด้วยว่าคนเป็นๆอยู่นี้ละ่ะนํามาทําประโยชน์ใช้สอยใช้สอยเรื่องอะไรประโยชน์เป็นอะไรเอ อยากจะประโยชน์ส่วนต้นกระจำประโยชน์ส่วนอื่นก็ตามเป็นประโยชน์ขึ้นชื่อว่าประโยชน์ทําให้เป็นประโยชน์เถอะอมอยู่เฉยๆมันก็เป็นโมฆะชนโมฆบุรุษโมฆะสตรีมีเรื่องอะไรนะเป็นสราระแก่นสารบ้างไม่ได้เฉอะไม่ได้เพราะอะไรเพราะเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเห็นแก่ความสะดวกสบายแล้วมันสะดวกมัน ส, นสบายจริงไหมนั่นเราต้องหาวิธีตั้งสติพิจิตรณาดูว่างังที่ว่ามันต้องการความสะดวกสบายแล้วมันสะดวกสบายจริงไหมล่ะ ถ้ามันสรุรบสลายสมาจริงมันต้องมีคนอื่นว่าสิอันนี้อย่างพวกเรามองโดยดูพระองค์ท่านมองดูพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่พระองค์ท่านบำเพ็ญทกกิริยาการที่พระองค์ท่านบำเพ็ญมาตั้งแต่เราเออทราบตั้งแต่เราจำความได้ตั้งแต่พระองค์ท่านดำเนินมาออได้เห็นบ้างไม่ได้เห็นบ้างเพราะมากมายเอาซะเหลือเกินนั่นเห็นไหมหน้ายกต้องชมเชยมผู้บุรุษผู้เป็น พูกเป็นเนติเดบับเฉพาะสําสหรับคนอื่นเราก็อยู่ภายใต้ร่มบรมโพติสมผลของพระองค์ท่านทําไมไม่เห็นทําไมรับไม่ได้เพราะอะไรท่าไม่ใช่เพราะแรงอิจฉาพยาบาทคาดอิจฉาอิจฉ า, ากระทั่งความดีของคนอื่นคนอื่นทําความดีก่อนช่างเถอะเราก็อย่างนี้ล่ะคนอื่นทำก่ําทำไ่เอย เราต้องมองให้มันชัดมองให้มันเห็นมองเอาความดีของสิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นเรื่องนั้นๆละ่ะมาเพื่อกระต้นเตือนเจ้าของให้ขนสมบัตินั่นเรียกว่าผู้นั้นทําเพื่อให้เกิดสมบัติอย่างเราเออเยื่อลอยชายรอยลมอยู่เวลานี้มันทําก็มีบาดเจ็บหายเจ้าของวันคืนเดือนตีกับเส้นไปสิ้นไปเหมือนกันแต่มีแต่ความมิบัตดมีแต่ความอาพัพอาบเฉาไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ในสิ่งที่ความเป็นอยู่ของเราไม่สมฐานะที่ว่าเราเป็นมนุษย์ ความเป็นมนุษย์ของเราก็ได้เป็นแค่โมฆะุดมันได้เรื่องราวอะไรอมืมีแต่เรื่องเพื่อรักเพื่อชังแล้วมันเป็นสาระกันสารมันได้นําความเย็นใจชุ่มใจพอใจในความเป็นอยู่เจ้าของดั้งบ้างได้ไม้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีดีก่อนรีบปฏิวัติเจ้าของกลับเนื้อกลับตัวเพริกแปงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าของจ ะ, งจะเป็นผลดีกับเจ้าของเบื้องต้ น, น, นเห็นไหมล่ะ จากนั้นมันจะเป็นคนดีคนดีมันจะเป็นผลดีกับคนอื่นมันจะเป็นคนดีของสังคมสังคมจะอ้าแขนรับเปิดรับคนประเภทที่สังคมต้องการก็คือความดีอืขึ้นเชื่อกมาความไม่ไดีไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็เป็นทิศเป็นทางอยู่ในแหล่งนั้นๆแม้แต่เจ้าของเองก็เถอะอืมอยู่ก็เจ้าของก็ยัง เกิดอัดรำคาญเพราะอะไรเพราะความไม่ไดีเกิ ค, คือความไม่ไดีเป็นสเสนียร์เช่นไอยู่ในตัวมันเองมันร้อนรุ่มขุ่นหมัวมันพื้มันเป็นฟืนเป็นไฟเพราะมันเผารมหน้าที่ของมันก็คือเผารมเพราะได้อยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้ที่สุดก็คือเจ้าของนั่นแหะเจ้าของอยู่กับเจ้าของได้รับพิรได้รับไฟซะก่อนเบื้องต้นตอนนั้นมันยังไม่เห็นตัวไปเจ้าของตัวช้าลามกเจ้าของไม่ไดีเจ้าของดีงเจ้าของไม่ดีมันต้องเห็นมันต้องรู้สิเพราะเอาวิชาบัณฑิตมาเป็นเครื่องเทียบเคียง อวิชาอันธพาลไม่ต้องว่าล่ะมันเข้าข้างของข้างๆกูตามภาษาความเห็นเก่นเนื้อเกี่ยตัวอคติอย่างไรเสียก็ต้องเป็นอคติไม่มีคติไม่มีแบบฉบับไม่มีความแน่นหนามันคงไม่มีความจริงจังจริงใจต่อใครท่านทั้งสอนว่าให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนเพื่อที่จะในนํายกคนทั้งคนนั่นแหละเข้ามาสําเนียกศึกษาสมาทานอาวิชชาธรรมเริ่มตั้งแต่ศรัทธาธรรมศรัทธาความเชื่อมั่น เชื่อมั่นว่าจะของเป็นผู้เป็นคนเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าสอนคนอย่างเรานี่แหละเราถึงว่าเอาคนอย่างเราเนี่ยแหละจะเป็นเพศใดไปใดก็ตามยกขึ้นมาเป็นฐานนะเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับเอาข้ออัดข้อตามของพระองค์ท่านที่ประทานด้วยความเมตตาหนูอสองสารมนุษย์ครั้งพุทธการก็ตามครั้งอนาคตการแตการก็ตามเราอยู่ในครั้งปัจจุบันการเราต้องได้รับประโยชน์จากโอวาทคงสองของพระองค์ท่านบ้างสิ ธรรมะไม่ได้โดดเข้ามาเรื่องหาเหตุหาผลไม่ได้โดดเข้ามาหาตามเหตุตามผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยก็คือศรัทธาเราเปิดกว้างเปิดยึดเปิดใจ <c oughs> รับเอาด้วยความชอบธรรมรับเอาเรื่องอะไรรับเอาเรื่องความเสียฉ ล, ลดรับเอาเรื่องวิชาติขจัดปัดเผาความไม่ดีคือความดีความดีคืออะไรคือความเสียสละแบ่งปันฐานะคือคือความเสียหลักจาระก็คือความเสียสละอืม ความเมตตาคนอื่นก็เหมือนเสียโอกาสนัเห็นไ้มล่ะเพราะโอกาสคนอื่นได้ไปเราให้คนอื่นได้เลยเพราะความเมตตาเราเสียอีกเป็นคนเสียแต่มันได้อะไรได้ความชุ่มใจเย็นใจดีใจว่าเราได้เป็นผู้ปรารถณ์ ธ, ธรรมปริบัติธรรมดาเนินตามอื ừ, เหตุตามผลตามโอวาทเขาสอนครั้งนักปรากจอมปรารถสอนกันอย่างนั้นคือความเป็นผู้เสียสละปล่อยวางแบ่งปันให้คนอื่นได้รับโอกาสก่อน จากนั้นเราก็ยกสมาทานขึ้นมาจังตะกี้นี้ปานาอตินาการเมุมสาสุราไปฆ่าทําไมฆ่าเขาก็ฆ่าเราอืฆ่าสัตว์อื่นก็ฆ่ามนุษยธรรมของเจ้าของนั่นแหละเจ้าของเป็นมนุษย์อยู่ดีๆสมบูรณ์ด้วยความเป็นมนุษย์มนุษยชาติเป็นพักภูมิที่ประเสริฐมากเพราะอะไรล่ะโดยเทียบเพียงอย่างสัตว์ดุริฉานเขาสิเขามีอะไรออมีมรดกตกทอดอย่างมนุษย์ไหม ือไม่เห็นมีอะไรมีเครื่องไม้เครื่องมือพอบรรทาทอดบรเทาทุกไหมอืข้อมีทุกอย่างวิชาความรู้ก็สืบทอดกันมาได้วิวัฒนาการมาจนกระทั่งออกจากถ้ำมาอยู่ตึกยุคหมันนี่จะเห็นไหมหละ่ะอืวิวัฒนาการมาสู่ความสิบวิลายมาสู่ความเป็นผู้เจริญ มันจเจริญขนาดนั้นเรายังจะกลับไปใช้วิชาคอนหริฉานเขาทําไมการฆ่าเป็นเป็นผู้สิ้นท่าเป็นผู้หมดท่าหมดทางหมดทางไปหมดอืมสติปัญญาวิชาความรู้พอที่จะเอาตัวรอดหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแค่นั้นจะต้องประหารทารถึงเกณฑ์ถึงฆ่าเจรืมการฆ่ากันมันเป็นการออสัตว์ชั้นต่ําเขาทํากัน สัตวประเสริฐสัตว์ชั้นสูงอย่างมนุษย์อย่างพวกเราไปทํามันต่ํายิ่งกว่าดีและฉานเขาข้านี่นนเห็นไหมล่ะมันเป็นขนาดนั้นเพราะพวกเรามีอาชีพหน้าที่การงานทุกอย่างวิชาศิลปศาสตร์ที่ร่ําเรียนมาหาสาต์ทั้งหลายนั่นแหละหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวผัวเมียทำไมจะเอาตัวไม่รอดถ้าเราเอาอืมสมมาทานวิชาความถูกต้องแม่นยําดีงามเพราะใจเองเราดีใจเขาเรางาม ใจก็งเราเป็นมงคลใจของเราเประเสริฐสอะแสวงห า, า, หาทรัพย์สริงคออสิริพ่อคานามาสโยโนักปราททานว่าอย่างนั้นทรัพย์สมบัติจะไหลกลับมานอนเนื่องอยู่ในจิตใจในสถานที่ที่มีอุดมมงคลเอสถานที่ที่เป็นมงคลสริริคือความเป็นมงคลภายในจในใจนะะั่นล่ะสิริพ่อคานามาสโยนทรัพย์สลิงคานจะไหลามาไหลมาแล้วก็อยู่เป็นเพราะใจเป็นสริริใจเป็นมงคลใจไม่ร้อนล่มถ้าใจประเภทเล่าร้อน ทรัพ ส, สมบัตินอกจากไม่มาแล้วพรอมายังจะมีประโยคน์พรภาคจะไปด้วยเหตุใ ด, ดเหตุหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะใจไม่เป็นมงคลทรัพย์สมบัติจะไม่อยากอยู่จะไม่ค่อยอยู่เพราะอะไรเพราะมันเร่าร้อนได้มาเสียไปมิบัติฉิบหายเพราะอะไรเพราะมันร้อนเออไม่เหมือนสมบัติฟังของเป็นความเป็นสมบัติก็คือความเป็นสิริมงคลทาอย่างไรมันจะเป็นสิริมันจะเป็นมงคลก็คือทําความดีและความเอดีเลิศนะะั่นแหะ เกดถึงว่าอย่าไปฆ่าตอนนั้นมันก็ยังมีล่อดแหลมอยู่ท่านใกว่านอกจากไม่ฆ่ายังมีความเมตตาอนุสงสารสรรพสัตว์เไม่ฆ่ายังยังไม่แล้วยังมีความเมตตาสงสารปรารถนาความสุขให้กันและกันทําอย่างไรสัตว์เหล่านั้นจะมีโอกาสมีจังหวะมีเครื่องใช้ไม้สอยอย่างเราดั้งได้ไหมอยู่ใกล้อยู่ไกลสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าก็เป็นสัตว์เหมือนๆกันพอๆกัน ไม่ว่าในน้ําบนบกไม่ว่าตัวยาวตัวสั้นสีขาสองขาเหมือนเหมือนกันก็คือเกลียดทุกรักสุข ừ, ทําไมเราต้องไปเบียดเบียนกันเบียดเบียนเท่าไหร่เพราะความคึกขนองความรู้เท่าไม่ถึงการความหยาบชาา้าละมกของจิตของใจเอาร่างกายนี้ไปทําบาปแต่ร่างกายมันก็ได้แชร์บิบากสวยผลอาจจะไม่ได้รับผลหนักหนาเหมือนใจใจไม่ได้ทํำหรอกแต่เจตนามันทํานั่นเห็นไหมล่ะผู้ทําคือกาย กรรมตกทอดมาสู่จิตคือใจคือเจ้านายของกายก็คือใจ <c oughs> ท่านว่ายาหนีห่างาจากการฆ่าก็คือมาอยู่ฝั่งของเบญจธรรมก็คือความเมตตาสงสารอืมการลักขโมยก็เป็นกิริยาการของสัตว์เดรัจฉานก็อีกละการฆ่าแกงกันกันการลักขโมยกันเป็นเรื่องของพุทไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีอาชีพไม่มีหน้าที่การงานที่ดีอืม <c oughs> เชิญหนังสือิมพ์เขไม่มีนี่เขาถึงว่าคว้าได้เป็นเอาคว้าได้เป็นกินภพรัก ก, กรรมกสิกรรมพันธุชีกรรมอุตสาหกรรมมีบ้างไหมไม่มีไม่มีปรากฏในใสายเหล่าอื่นมีอยู่พาะในสัตว์มนุษย์อย่างพวกเรานั่นแหละทำ ม, รรมาค้าขายก็ได้ประกอบหน้าที่การงานตามศิลปศาสตร์ที่เราร่ำเรียนมาเราฝึกฝนอบรมมาจน ก, กระทั่งเกิดความชำนิชำนาญหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงตัวหามาด้วยความฉับถมนั่นเห็นไหมละ่ะมันจะเป็นสมบัติ ได้มากได้น้อยก็เป็นสมบัติหามาเถอะได้มาเถอะเป็นสมบัติสมบัติแปลว่านำความเย็นใจนำความอุ่นใจมาสู่เจ้าของมุ่งกลับกันถ้าใดมาด้วยความไม่ชอบธรรมเปรี้พร่ น, นสะดมลักขโมยไปย่างชิงเข้ามาเป็นอย่างไรล่ะเขานี่ <c oughs> ยังไม่ได้มายังไม่เป็นไรมีแต่ความเพ่งแรงคิดเฉยๆยังไม่รอบยังไม่เป็นไรนะตอนนั้นอภ <c oughs> ิชาเพ่งแรง ฟังความละมโมบลบมากมันจะเกิดก่อตัวขึ้นมาตรงที่อภิชาถ้าเราตามมันไปอีกนี่ว่าขับเคลื่อนไปตามใช้กายไปลักไปขโมยไปพร้นไปสะดมเข้ามาชกจิงวิ่งราวเข้ามาเพะได้มาปับเกิดความสูกใหม่ละ่ะก่อนหน้านั้นมันสอนเราเสี้ยมเราสอนเราทำให้เกิดความเช่งเล็งที่จะเอา สองเนื่อนโลกนี้มีอภิชาโทมนัสสร้างนั่นบาอย่างนั้นฟังโลกก็คืออภิชาฟังโกรกก็คือโทมนัสมันจะเกิดควา ม, มราคาโทรศัพมาเป็นเจ้าเรือนพอความโลคขึ้นมาเป็นเจ้าเรือนปับ๊บหาทางจะเอาได้มาด้วยความไมา่ชอบธรรมก็เอ า, หาเห็นไหมถึงแบากิริยาการของการลักขโมยนั่นละ มันไม่ใช่ของดีแต่เราทําไม่ทาในเมื่อเรายังโง่ในเมื่อเราอินทรียังอ่อนในเมื่อเรายังมีภูมิต้านทานยังด้อยอยู่น้อยอยู่มันจะทําตอนเป็นเด็กทําก่อนน่าอายาภัยโตขึ้นมาแล้วยังทํำนี่ไม่น่าอายาภัยแล้วอาภัยไม่ได้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่าผิดนั่นเห็นไหมแต่สัตว์เดือดฉันเขาไม่รู้เขาไม่มีใครสอนกันอืมเขาไม่มีไม่มีก็คือไม่มีคว้าได้เป็นเอวไม่รู้เรื่องรู้แลว่าใครห่วงใครห่วง แต่พวกเรารู้นี่ว่าสมบัติของคนอื่นเขาห่วงเขาห่วงอยู่จะมากจะน้อยก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเขาก็คือของเขาเป็นของเขาโดยสมบูรณ์เขาจะให้ไม่ให้เขาจะทิ้งเกลื่อนกราบบุนเอเกลื่อนกล่นวุ่นวายอยู่ที่แค่ไหนก็ตามก็เรื่องของเขาอืยาวความคิดของเขาของเราไปใส่เขาเขาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรมันต่างกันอืถ้าให้ก็คือการขอขอนขอการยืมลักษณะของกิริยาการของเครื่องต่อรองแต่นี่เป็นลักไปขโมยเขานั่นสิ มันไม่ใช่ของดีทําไมทําทําเพราะความเท่งเลงที่จะเอาจากนั้นพอเอาก็มาแล้วหาที่เก็บไม่ได้แล้วคราวนี้วุ่นวายไปเสหมดทุกร้อนขุ่นคล่องหมองมวนในจิตในใจเพราะอะไรเพราะกิริยาการมันทํารอบคือการประยิบฉวยเขามาเป็นกิริยาที่ตั้งทั้งว่าเป็นการขโมยได้มาแล้วหาที่เก็บไม่ได้เพราะอะไรเพราะกลัวเจ้าทรัพย์กลัวคนอื่นจะมารู้มาเห็นว่าเราขโมยของเขามาเออมันทุกขึ้นมาทันทีก่อนหน้านั้นทําไม ความคิดประเภทนี้ไม่มีอารมณ์อย่างนี้ทําไมไม่มีถ้ามีก็ไม่ใช่ธาตุละเราเป็นธาตุความอยากเราเป็นธาตุกิเลสตัณหาอสาวาะเราเป็นธาตุความทะเยอทะยานความทะยานอยากมันเต็มเปลี่ยมอยู่ภายในจิตในใจมันทะลักล้นอยู่ในใจของเราอืท่านนึกว่าเอาตับประทรมเอาขันติธรรมเอาวิริยะธรรมอุตสาหธรรมมคม เอาสติมาข่มเอาปัญญามาข่มเอาความเสียสละแบ่งปันเอาความจริงคือความแปรนุรุษยธรรมข่มมันไว้อย่านะอย่าหนะ่าอย่าอย่าไปทําเพราะทําแล้วมันทําเป็นพิษเป็นภัยแก่เราอืมคนนั้นทําคนนี้ทําเราเห็นคนอื่นทําก็รู้ว่ามันไม่ดีเราซะเองทําทําไมมันจะดีได้ละ่ะต้องไม่ดีอย่างคนอื่นทำนั่นละ่ะคนอื่นทําว่ารู้อยู่ไม่ไม่ดีแต่เวลาเจ้าของจะทําทําไมยอมทําทํำไมพอใจที่จะทําเพราะ มันโดนเสี้ยมสอนโดนโกหกโดนธรรมชาติที่มันเป็นเจ้าหน้าใจของเราตอนนี้ก็คือกิเลสผู้ที่เวียนว่าทตายเกิดรบวนเวียนอยู่ทุกวันนี้ก็คือหยุดภายใต้อํานาจของกิเลสทันหาอสวะซึ่งไม่ใช่ของดีแต่ทําไมเทิถึงืบูชามาละ่ะทําไมเราไม่รีบเบ่งขนไขว่สอนแสวงหาวิชาอาวพิชาธรรมวิชาธรมาธรมท่านปิดกั้นไหมไม่ได้ปิดกั้นอย่างทานธรรมอย่างเนี้ย การนําออกการเสียสลับแบ่งปันทำบุญให้ทานท่านเปิดโอกาสตลอดือไมว่ว่าใกล้ว่าไกลือน้าออกทีการทํามันก็มีหลายอย่างมีหลายอาการือทานข้างนออทรัพย์สินสริงขานแก้วแหวนเงินทองรัตนาชาติที่อยู่ในครอบครองของเราจะค้าความเสียสลับแบ่งปันือ วัตถุทานจนกระทั่งคลายเป็นธรรมทานนี้อภยทานเป็นต้นเห็นมไหมล่ะไม่ถือห้าถือสิบเขาจะแซงซ้ายแซงขวคือเรื่องของเขาเขาคงเรียบมั้งนัเห็นไหมใกลแล้วก็เย็นล่ะมันไม่เคยให้นะสิเห็นแค่นี้กับตัววุนวายขุนข้องหมองมวกหมองไปสมดนั่นล่ะเรื่งไปเรื่องไปเจอไปแดงงูงเงี่ยขึ้นมาทันทีอืทําไมไม่ใช่สติเป็นเครื่องรักษาใจจ้าของบ้าง คนอื่นเขาได้โอกาสก็ได้ไฟเขียวโอ้ซาทบุญของเขาบุญเราน้อยอคิดอย่างนั้นก็ยังพอมีเครื่องอยู่บ้างอันนี้ไม่คิดเลยไม่ได้หงุดหงิดวุ่นวายว่าจะของเจออีกล้วเจออีกแล้วถ้าไม่มีไฟเขียวไฟแดงโลกนี้มันวุ่นวายยิ่งกว่านั้นเพราะจัดระบบจราจรเขาต้องมีกฎเกณฑ์กติกาเพราะมันมากต่อมากเมื่อก่อนก็ไม่จําเป็นหรอกทวราที่มันจําเป็นทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมันเกลื่อนกลดวุน่นวายมนุษย์มนามันอะไรนักหนาล่ะือ มันมากกรามากก็เลยจัดสรสซ้ายขวาหน้าหลังท่องให้โอกาสกันบ้างพอคนอื่นเขาได้โอกาสโอ้ก็เออเป็นความสบายเป็นความสบายใจถ้าเราไม่เป็นนักเห็นเกียรตตัวสเกินไปไม่ถึงพบถึงชาติดิน่าทำท่าเผลอทาท่าเลื่อมบ้างเปลี่ยนพฤติกรรมใจเจ้าของบ้างคิดบวกคิดเพื่อเจ้าของนี่ คิดเพื่อทำร้ายทำลายจา อ, อ ก, ก็คิดเหมือนกันน่แะแต่มันคิดเอามาหีดหดเทียมว่าเจ้าของโดนกนระทำอีกแล้วแค่ไฟแดงก็จะตายเป็นเออย่างนั้นเราเห็นแก่ตัวขนาดไหนทานไม่เป็นมไม่เคยทำทานนั่นหรอวาให้อภัยไม่ได้เสียสละสงฆ์มไม่ได้ยืวยกระทั่งฝากไฟแดงจะตายออกเทนั้นเลยเลยตายจริงๆนะ ท่านนี้ว่าเอาวิชาธรรมมาทำคือจาคะเสียสละแบ่งปันท่วัดางข้างนอกจนกระทั่งชำนิจำนานกลายเป็นธรรมทานขัยฏทานเรื่องของมนุษย์ทำกันแล้วก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่นะเอามายกขึ้นมาประดับประปราจิตใจของเราบ้างได้ไหมขึ้นเื่อว่าเบญจศรรีลเบญจธรรม พระแม่สุเมชาจารย์ที่ว่าวิชาลโลกแต่ครอบครัวผมมันยังเกลื่อนว้าบนขุนโมกันในเวลานี้เพราะอะไรเพราะมันไม่พอนะสิมากมากอืมนักมากแล้วมันได้เป็นสมบัติตรงไหนมันมวิบากใครได้รับผลนหรอนุอ น, อน้อยตาดำดำแดงแดงนั่นแหลมผู้มีรู้เรื่องรู้ราวหนึหน่งด้วยพลอยฟ้าพลอยฝนเพราะพ่อแม่ไม่รู้จักพ่ออืม ลูกเขาเมียใครใครก็รักทํำไมจะไม่รักห่วงห่วงทนทนสนองทั้งนั้นล่ะอืมสมบัติของใครตามภาษาโลกก็ยินดีในสิ่งเหล่านั้นได้ไหนละ่ะทําไมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรอืมดบรมครูของพวกเราสิพ ร, พระเจ้ามาเป็นสักขีพยานท่านพระองค์ท่านพโานพูดขึ้นมาให้ฟังความไม่ดีเอ่ยความดีเอ่ยพระองค์ท่านเอามาพูดหมดอืม แต่กับพระนางมัสสีพระนางพินาพาษแสนชาติสุดท้ายไม่เคยระแคะระขายไม่เคยมีที่จะทำให้การละกันขุนข้องมองมัวไม่เคยมีมีแต่ความเทิดทูนบูชามีแต่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นไหมล่ะเมืแต่ครั้งเป็นพระเวสสันดรพระชาติถัดไปนั่น ผู้มีส่วนได้เสียก็คือพระนางมัตซีพระองค์ท่านทานกันหาจารีก็ยังทํารับหลังด้วยซ้าไปเพราะอะไรเพราะความเป็นผู้หญิงธาตุหญิงวันไหวง่ายของเป็นอุปสรรคป่านนั้นพระนางก็เทิดทูนบูชาไม่ตำหนิพัศสดาสามีชะของไม่ตำหนิแม้แต่น้อยหนึ่ง เพียงแต่วันไหวหวันไหวธรรมดาของปุะุชนนั่นละ่ะทำไมจะไม่ไหวทำไมจะไม่หวัน่นเพราะแก้วตาดวงใจแทๆ้ๆมีเป็นแต่ไม่ตำเนอยอืมปริยาณตนเป็นข่าบาทบริจาคาของพันศาสามีด้วยความเทิดทูนจริงจริงมากอือนั่นเห็นไหมถึงแบบเป็นสหายจริงจริง ผู้เป็นไปร่วมร่วมสุขร่วมทุกทั้งทั้งพระนางไม่มีความผิดจะต้องพลัดพาคจากพระนครนี่มีพระเวสสันดรคนเดียวกระทำความผิดต่อชาวบ้านชาวเมืองเขาคือช้างคู่บ้านคู่เมืองพระองท่านทําทานไปนั่นชาวบ้านชาวเมืองก่อผิดก็พระเวสสันดรมีความผิดแต่ทําไมเดือดร้อนไปทั้งครอบครัวล่ะเพราะอะไรเพราะผู้เป็นไปร่วมร่วมสุขร่วมทุก เป็นขนาดนั้นละ่ะจนกระทั่งพระองท่านประธานกันหาชาลีเกศพรามโชจกพระนางไม่ได้รู้เห็นด้วยตอนแรกแต่พร้อมเพียงด้วยจิต ด, ด้วยใจของพระนางอื mm. เป็นความพอใจของพระองค์ท่านพระองค์ท่านทําด้วยความชอบธรรมอนุโมทนายินดีกับเรื่องนั้นนั่นเห็นไหมแต่กัดหินกัดเพชร เป็นทำไมจะไม่เป็นลูกทั้งคนรักยิ่งกว่าเจ้าตาดวงใจเทิดทูนมากพอกลับมาไม่เห็นวิ่งรับก็เฉลียวใจตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อเช้าแล้วละ่ะเพราะได้ในมิตรไม่ดีฝันไม่ได้ในตามประวัติว่าจะขนาดนั้นทรมาณมากทุกมากแต่ยอมเพราะอะไรลนะ่ะเพราะเชื่อ ือผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือพระเอสสันดรนั่นขนาดคนอื่นร่วมอื่นก็เป็นขนาดนั้นพอมาเป็นอย่างเขาอย่างเราทําไมจะไม่รักหล่ะเขานี่ือมันทําลายทําร้ายทําลา ย, ายหัวใจของกันและกันได้อย่างไรอืมถ้าคนตายวันละสบิสบศพยี่สิบศพไม่ข้ามนะือใช่มไมนจะมาทําลายหุ่นับใจกันอย่างนั้น เยียบย่ำทำร้ายทำลายกันได้อย่างไรใครของใครใครก็รักใครก็ห่วงก็ห่วงเพราะฉะนั้นอย่าไปกลํากลาอย่าไปอย่าทำยายาคืออยาไม่มีที่รับที่แจ้งไม่มีต่อหน้ารับหลังผิดคือผิ ด, ผดถูกคือถูกนั่นเป็นซสียอย่างนั้น mm. นักปราานเป็นอย่างไรนักปราานกระทั่งมาถือพรตพรหมจำท่านก็ทำให้เห็นอยู่ความยิ่งความเลือดแต่ละชาติแต่ละชาติ อย่างพระองค์ท่านชาติปัจจุบันที่ท่านพระองค์ท่านบำเพ็ญอุกติเอาพินาายเรื่องพรหมจัก็ตอนไหนตอนที่ท่านเสวยในเป็นพญานาครราชนาคภิพภพนนีน้ว่าพญาภุริทัศเยาว์บำเพ็ญสมาธิทำจะเป็นเพ็มธรรมหยุดนาคภิพภพก็เกลื่อนกลนรุ่นวายด้วยหมู่บริษัทบริวารไม่สะดวกเห็นไหมล่ะความเสียสละที่เยาบำเพ็ญพรตพรหมจักร ก็ยังขึ้นมาสมาทานอุโบสถเสียอย่างโลกมนุษย์โ mm hmm. ดนรังควานโดนรังแกโดนกันแกล้งอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พระองค์ท่านก็อดข้อกล้านอดทนเอานั่นเห็นไหมความถึงพร้อมด้วยความแบบพรหมจาร์นอกจากไม่มักมากแล้วยังมาถือพรหมจาร์อีกคิดดูสิต่างจากโลกสันนิวาสอย่างเราท่านเป็นกันขนาดไหนน่าอาัจารย์ไหมหลังถึงว่าเอาพระองค์ท่านเอาเรื่องของท่านมา เป็นเครื่องชีนช้นาชนี้แนะหัวใจของเราบ้างได้ไหมเวลามันจะเอาวิชาเปรตวิชาผีมาสมาทานเอาวิชาอาวิชาธรรมวิชาคนงามความนี้วิชาหน้าผาดมากตะล่อมกล่อมใจของเราบ้างมันไม่เกิดตลอดเวลาดอกมัน ว, วิชาบ้าเนั่นนะอมืมันเกิดตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเราเหลือสติเรายกสติขึ้นมาปับ๊บบ้าบอคอแต่มันก็จะตกไปไหนนู่นเหลือแต่คุณงามความดีเหลือแต่ความเป็นสิริมงคลเหลือแต่ความชอบธรรม เพราะอะไรเพราะสติเป็นธรรมสติเป็นธรรมสติเป็นวินยัยสติเป็นเครื่องนำทุกข์ออกสติวินิจโยดาตับโบรนั่นเห็นไหมล่ะสติพระพรุทธเจ้าย่องช่องชมเชยขนาดนั้นนนะานำพิษนำภยัยนำความไม่ชอบธรรมออกจา ก, กจิตจากใจได้จริงนั่นวินิจญาเป็นเครื่องนำออกเรามาใช้ทำไมจะไม่เป็นอืม ไม่ใช่สาธารณะาสาธารณอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นของกลางเป็นของจำเพาะผู้ทหยิบมาใช้ใครหยิบมาใช้ก็เป็นประโยชน์สําหรับคนคนนั้นนั่นเดียวทำมาเป็นอย่างนั้นอืมบุสาวาสก็เหมือนกันสุภาษิศ เป็นมันธยวราจาพอมหาจำเริญผู้มีกำลังแฉกล้าสามารถเธอจึงลากเวียนทั้งร้อยเล่มนี้ไปเธอ น, นเห็นไหมล่ะไปอวดดีอว ด, ดว่าจะโคเจาของมีกำลังมากสามารถที่จะลากเวียน พร้อมด้วยสัมภาระเนี่ได้เป็นร้อยๆเล่มเกลียนในบทเรียนที่พวกเราเรียนสมัยอยู่พอ .2 ป .3 เห็นไหมโคนอันทวิสาร น, นไปท้าพนันเขาเนาะจากนั้นก็จ้องห่องด้วยความจองห่องจ้องห่องมันในในขณะที่มันบ้ามันก็จองห่องนั่นแหละอวดดีอวดดีไปที่รากสิโคไม่ยอมรากเห็นไหมละ่ะเสียพ น, นัแนแพ้พนันโศกาดุนร้องห่มร้องให้ จากนั้นถึงมากลับเนื้อกลับตัวเอาพานานกันใหม่เริ่มใหม่พระมหาจำเริญผู้กับโคโคทวิสารโครนันทวิสารมีกำลังมากมายมหาศาลสามารถจริงๆแต่ต้องการมัทธว่าจาแม้แต่สัตว์ประหลาดก็ยังต้องการมนุษย์เราทาไมจะไม่ต้องการเล่าต้องการความสัตว์ความจริง ต้องการความถนุสนอมกันด้วยวาจาบ้างอย่ามาประหัตประหารดังด้วยวาจามันเสียดแทงไปถึงก้นเบื้องของหัวใจน่นรับไม่ได้ไนะฮิแมล่ะถ้านึงว่าให้มีดยาพ่นปล ด, ด, ดมอเทสโกหกพกกลมมันอยู่ที่ผลถ้าให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อนยิ่งเป็นรสชาติเผ็ดร้อนมากทุกมากเสียหายมาก นั่นเท่านั้น่ามีความสัตย์ความจริงแค่นั้นล่ะเป็นรสชาติของความเป็นจริงครั้งพุทธการท่านก็มีอยู่แม้แต่พูดความจริงเรื่องที่ไม่ดีก็ยังเป็นสัจจวาจาได้มีครั้งหนึ่งพระองค์ท่านพูดเรื่องความจริงของพระองค์ท่านอมีชาติหนึ่งพระงบวชเป็นฤาษีสี่สิบปีละบวชเป็นฤาษีมาสี่สิบปีมีสหายอยู่คนหนึ่งล่ําลากันมาบวชคนหนึ่งไปมีครอบครัวคนหนึ่งมาบวช คนก็ร่ำเรือว่าเศษรษฐีฤาษีคนนี้โอ้ยอัศจรรย์ไม่คิดว่าคนคนนี้จะมาถือบวชได้ขนาดตั้งสี่สิบปีอัศจรรย์ร่ำเรือกันอยู่นั่นแะ่ะแต่ท่านรู้ตัวว่าท่านบวชเข้ามาทนอยู่ตั้งสี่สิบปีไม่เคยมีปีไหนไม่เคยมีช่วงใดที่จะพิสมัยพิ ส, สว่าการบําเพ็ญพรตหรอกชาตินั้นท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆอืงอยู่ด้วยความอดความกลั้นความอดความทนแต่คนเชื่อว่าท่านมีศรัทธาในความเป็นนักพรตนักบวช วันนั้นท่านไปเยี่ยมสหายกันซึ่งเคยเป็นสหายเก่ากันวันนั้นน่ะงูพิษกัดลูกของสหายพิษมันกรนลังเป็นแล่นไปทั่วสปลางร่างกายแล้วแทบจะใกล้จะตายแล้วท่านก็เห็นท่าไมาท่ท่านก็ตั้งสัตยาทิษฐานประกาศความสัต์ความจริงหนึ่งคิดดูสิประกาศความจริงก็คือขายหน้าเจ้าของน่นหะห นักปราชญ์ท่านขนาดขนาดเจ้าของก็ยังเป็นสิริมงคลยังเป็นธรรมรัอัตรรถรัยังเป็นคุณค่าอืมด้วยความสัตด์ความจริงจำเดิมแต่เราบวชมาเกือบทั้งวัยเวลานี้แหละคนทั้งหลายชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายโลกทั้งหลายเคารพเรือล่อำเรือว่าเราบวช ด, ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสามาสี่สิบปีที่จริงไม่ใช่หรอกเรานี่รู้อยู่แก่ใจแต่เราไม่พูดนี่เราเวลานี้เราจะพูดเราทนมาท่านไว้อย่างนั้น ทนอยู่ทุกวันเวลาทนอยู่มาสี่สิบปีแล้วอยู่มาด้วยความอดความทนไม่ได้มีศรัทธาสักวันแต่อดก็ทนเห็นไหมละ่ะด้วยความสัตว์ความจริงนี้ขอพิษภัยในร่างกายของหลานคนนี้จงหายไปเถิดจากนั้นท่านก็รุ บ, บ, บๆผองพ่ำเพียร์งูก็หายไปจากอันตรธานไปจากร่างกายของหลานคนนั้นจริงๆเพราะอะไรเพราะสัจวาจาของบัณฑิตนั่นเป็นขนาดนั้นก็เป็น เรียกว่าเบญจศีนเบญจธรรมศีนจริงจริงก็สีข้อนั่นล่ละแต่นั้นก็มีสุราเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะน้ำป่าเพราะกะติมันก็ฆ่าสวรสลักทรัพย์ล่วงประเวณีกรรมพูดปลดมเทศได้ยากอยู่แต่พอได้ได้น้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไปกลายเป็นของง่ายไปหมดท่านถึง่าบมันอยากเป็นศีลห้าทำห้าก็คือความมีสตินั่นแหล น้ำเมามันทําให้เสียสติการตั้งสติไม่ได้ไปซื้อไปหาที่ไหนอืมไม่ได้มีต้นทุนยิ่งกว่าการตั้งเจตใจเรามีอยู่แล้วตั้งก็คือเป็นกิริยาการของเพ่งกําหนดขึ้นมาตั้งขึ้นมาการตั้งก็คืออย่างนั้นละ่ะกําหนดขึ้นมาตั้งขึ้นมาให้มันเป็นจิตปัจจุบันจิตสะสดๆร้อนๆเจตของความเป็นปัจจุบันสดๆร้อนตอนนั้นละ่ะมีอํานาจวาสนาคุณานิสง์ที่จะขัดจัดปัดเป่าความ อมาหหตโหดเยี่ยมทั่วร้ายต่างๆซึ่งเป็นพิษเป็นภัยออกจากกิตจากใจของพรทรนดทั้งหลายไม่ต้องสงสัยการเทศนาว่าการกดตามเวลาเวลาด้วยอำนาจวาสนาของความ ดีงานทั้งหลายขัตตุลเจตนาของผู้ราท่านที่มาพร้อมเพียงกันอยู่ในสถานที่นี้ก็ตามหรือเหตุการณ์ใดๆก็าตามเรียกว่าทำบุญเพื่อกุศล กิริยาการของการขนขวายในบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายทานศีลภาปนาเป็นกิริยาการของการทําบุญเพื่อกุศลคือเพื่อความเฉลียวฉลาดขวามน้าศาสนาของความดีนั้นๆจงมาเป็นพลวัตปัจจัยให้ผูกเราท่านทั้งหลายจะปรารถนาเอาสมบัติประเภทใดก็ตามตามความมุ่งมากปรารถนาะ เดี๋ยวเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงพระนิพพานสมบัติก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาจงทุกประการด้วยเพลิน